วันนี้เป็นวันพระแร8ม8ดค่ำเดือนแดเข้าพรรษามาวันนี้เป็นวันที่8ดเป็นวันพระแรกที่พวกเราอุบาสกอุบาสิกาภิกษุมาพร้อมกันทำวัดสวดมนต์ที่สลาแห่งนี้แล้วพอคงจะเป็นวันต่อๆไปคือส5บห้าค่ำ และกระทุกวันพระจนกว่าจะออกพรรษาแต่สำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดของเราไม่มีแรงไม่มีฝนจะปฏิบัติกันสม่ำเสมอทุกวันพระส่วนพระสงฆ์บางครั้งก็จะมีการประชุมหาหรือกันบ้างเป็นการเฉพาะเพราะเหตุว่าพระวินัยหรือกฎระเบียบของพระสงฆ์บางครั้งเราเดยพูดเฉพาะพระสงฆ์ ในแถวแนวของพระทาว่าพูดสําหรับฆราวาสญาติโยมก็ไม่จําเป็นที่จะได้รับรู้รับทราบเพราะไม่จําเป็นสําหรับญาติโยมแต่กบางครั้งก็ควรจะพูดให้ญาติโยมไดศึกษาบ้างเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมแต่โดยมากก็ทาว่าไม่เกี่ยวกับพ่อวัดปฏิบัติของพร ะ, ะเราก็ประชุมเฉพาะพระให้พระรับรูบ้รับทราบ มันก็ต้องมีในกฎระเบียบของครอบครัวหรือว่ากฎระเบียบที่ใช้ในวัดใช้ในแต่ละวัดไม่เหมือนกันแต่พระวินัยนั้นเหมือนกันพระวินยัยศีลของพระนั้นเหมือนกันแต่กฎระเบียบที่จะมาใช้ในวัดนั้นไม่เหมือนกันห่างบางทีก็ต่างกันเหมาะสมกับการสถานที่นั้นๆเหมือนกับวัดของเรา สมัยเมื่อเรามาสร้างวัดใหม่ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมากพระเนนก็อยู่แบบอิสระอยู่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่พอมามีญาติโยมเข้ามาหลายหมุงหลายคณะตลอดถึงพระเนรเข้ามาหลายองค์เข้ามาก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบขึ้นมาภายในวัดว่าเราจะอยู่ร่วมกันหรือบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพวกเราอย่างไรตลอดถึงการอยู่การฉันการไปการม า, กา ร, มาการใช้ของวงการต่างๆเหล่านี้ต้องได้พิจารณากันต้องได้ตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นเพื่อความเหมาะสมในวัดนั้นๆวัดของเรากาะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีการประชุมหารือกันผู้ที่เข้ามาใหม่ พอพระที่เขามาใหม่ก็มีและกระเก่าก็มีสำหรับเก่าก็ไม่มีปัญหาแต่สำหรับพระใหม่ก็ต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาแต่สำหรับพระเก่าถ้าทำอะไรออ ก, ออกไปกป็แปลว่าดื้อด้านหานกล่าวไปอย่างนั้นแหะตาตามไม่จริงมันไม่ถูกจะทาอะไรออกไปสิ่งไหนออกไปเราต้องพิจารณาทบทวนเพราะ เ, ราเพราะเราเข้ามาศึกษา มันต้องก้าวบันได1 2สสาี่หขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าขึ้นไปสองสาขัน้นแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่อันนั้นมันไม่ถูกไม่ใช่ผู้มาศึกษาถ้ามาผู้มาศึกษาแล้วสิ่งไหนที่รู้แล้วครูบาอาจารย์แนะนำแล้วเป็นที่เข้าใจแล้วได้ศึกษาไปพิจารณาให้ควรทบทวนดูแล้ว ว่าสิ่งมันไม่ถูกต้องไม่ใช่หลักธรรมหนเราก็พยายามเดินก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นแปลว่าผู้เข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่ฟูงแล้วครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วกลับมาสอนอีกเหมือนกับสอนเบบี้อยู่ไม่รู้จักจบเหมือนกับเด็กอมนิวอันนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ผู้มาศึกษาสูก้กิเลสตัวเองไม่ได้กิเลสฝ่ายต่าของตัวเอง เทลไถผักดันออกมาตกไปตับสิ่งเหล่านี้ก็มันมีอยู่ในวงการของพระที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยเป็นการการกล่าวเตือนให้พวกเราสำเนึกสำเหนียดไว้สำหรับพระสงฆ์สำหรับญาติโยมก็คงจะมีส่วนเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วบางทีก็ไม่ใส่ใจบ้างหลงลืมไปบ้าง ขี้เกียจบ้างหาว่าการงานฉุดเอื้อมบ้างการงานของเราหนักหนาไปบัง่งหาว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราบ้างสิ่งเหล่านี้ก็จะจะฝากไว้กับพวกเราทุกๆัคนเพราะพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ไม่ใช่วางให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพระพุทธเจ้าวางให้พุทธบริษัทสี่ พุทธบริษัทสีคืออะไรคือใครคืออุบาสกโยมผู้ชายอุบาสิกาโยมผู้หญิงพระภิกษุสัมมเณรอันนี้คือพุทธบริษัทสเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประพฤติธปฏิบัติถ้าว่าพวกเราต้าอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อในครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนจากนั้นไต่ตรองดูเหตุและผลที่ได้ที่เราได้รับการสั่งสอนมานแล้วนั้นมีเหตุผลหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมประเทศชาติหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้พวกเราไม่ใช่บอกฟังมาแล้วขอรับทั้งหมดด้วยศรัทธาไม่ใช่อย่างนั้น เมื่อรับเมื่อฟังแล้วก็ไตรตรองดูเหตุและผลที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุผลน่าเชื่อถือมากน้อยอย่างไรแค่ไหนแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมเราพูดได้อย่างนั้นเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ยุคนุ้นมาถึงยุคปัจจุบันนี้เป็นธรรมะที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมแต่ตัวของเรานั้นจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราจะให้ก้าวเดินตามธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยยังไงแค่ไหนบางครั้งเราก้าวเดินไปกับเป๋ออกตอกทางบ้าง พอเรามีสติแล้วก็ดึงกลับเข้ามาเดินเข้ามาหาทางแล้วก็เดินเป๊ไปเป๊มาอยู่อย่างนั้นบางทีเดินย้อนกลับหลังบางสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดสิ่งไม่ควรคิดก็คิดมันเดินย้อนกลับหลังอันนั้นแต่พอเราเชื่อในพระพุทธเจา้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในครูบาอาจารย์แล้วก็เดินตัไปกลับไปอีกตามไปอีกเพราะนั้นกล้ำ คือการกระทำนี่ปัจจุบันนกกรรมอดีตกรรมที่พวกเราได้รับใช้ผลของกรรมในหลักของพุทธศาสนานี่ยพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องเนี่ยกรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ให้คิดเอาไว้ให้สำเนียกสำนึกเอาไว้อยู่เสมอให้อยู่ในใจไว้อยู่เสมอว่าเราทำกรรมอย่างไรไว้มาชาตินี้พบนี้เราจึงได้เป็นอย่างนี้เราจะทำกรรมสิ่งไหนไว้จึงจะดีขึ้นไปกว่านี้สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าไปริธรรมอย่าไปริพูดคิดก็ไม่ควรจะคิดพอคิดกะเป็นมโนกรรม คิดเป็นมโนกรรมคือการกระทําทางใจอันนั้นก็เป็นบาปทางใจเหมือนกันมันคิดออกมาซะก่อนคิดมากๆๆต่อไปมันก็หลุดออกมาทางปากและก็หลุดออกมาทางการกระทําของเราอันนี้แหละให้ระมัดระวังสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่เป็นธรรมอย่าทําอย่าลิคิดริธทำในสิ่งเหล่านั้นเพราะการกระทําออกไปแล้วมันไม่ใช่ผลดีมันเผาทางจิตใจ ตกนรกหกไม่มามากต่อมากแล้วอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าของเราแต่ปัจจุบันนกรรมการกระทําในปัจจุบันมีหลายๆท่านมีหลายๆเรื่องที่ท่านบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่หลวงพ่อจะยกมาพูดครั้งนี้ก็คือการกระทําของในปัจจุบันนกรรมที่ได้รับผลกรรมคือการกระทําของตัวเองคือพระเจ้าจุปปพุทธนะ พระเจ้าสุปาพุทธะนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเทวทัตเป็นใครเรียงลาดับก็คือเป็นพระเจ้าลุงของพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าลุงยังไปแล้วยังเป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้าอีกเป็นพระบิดาของนางพิมพายโสทราและก็เป็นพ่อของพระเทวทัตท่านสุปาพุทธะเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่คนละฝักหลังน้ํากันแในน้ําโรฮีนีกบิลพัทกับ ี่เทหาอยูดูคนละเมืองกันแต่เป็นเมืองที่เป็นพาเขยกันถ้าทางนี้เป็นผู้หญิงก็าทางนูง้นก็เป็นผู้ชายก็มาแต่งงานถ้าพูนเป็นผู้ชายไม่ไ้เป็นผู้หญิงก็แต่งงาแต่งงานกันในยุคสมัยนั้นเขาไม่ได้ถือเหมือนยุคสมัยนี้แต่งงานในเครือญาติเขาว่ามันจะเป็นลักษณะคนโง่แต่ ยุคสมัยเก่าแก่เขาจะรักษาวง์ตระกูลของเขาเจ็ดชัวโคดก็าจะแต่งงานในพี่ในน้องบางทีการแต่งงานพี่แต่งงานกับ น, น้องอย่างนั้นได้เห็นเป็นบ่อยๆในใ น, ในพระไตรปิจกนะแต่ในครั้งนี้คือพระเจ้าสุ ป, ปาภทธาเนี่ก็เป็นเป็นลุงในนามลุงแต่แม่อัคบาเหสีของสุภาภทธนี่ก็คือ น้องพระบิดาของพระพุทธเจ้าน้องสาวแท้ๆของพระเจ้าจุโธธนะตอนที่พระพุทธเจ้าพระเจ้าทิตตถะนี่ก็ได้อภิเศกสมรสกับนางพิมพายโสธราก็แบบคือเป็นเมืองเทวทาหานะั่นะคู่กับกรุงกบิลพัทต่อมาพระธองค์อายุ29ปีได้ลูกชายคือพระราหุนท่านก็เห็นความแก่เจ็บตายอย่างที่เคยพูดให้ เล่าให้ฟังแลวออกไปบําเพ็ญจนได้ตัดสรุธธรรมจากนั้นท่านก็มาโกรธวงสาคนาญาติแต่ที่จะมาโกรธยังไงหลายครั้งต่อหลายหน้ามาโกรธแต่สุ ป, ปพุทธะพ่อตาเนี่ยคือพ่อนางพิมพายโสธรานยังมีความโกรธแค้นอยู่ในใจว่าชิตธาเนี่ยพระพุท ธ, ธเจ้าทิ้งลูกสาวของเรงเองหนีไปบวชแล้วก็เอาลูกชายไปบวช ก็เป็นปฏิบักต่อกันคือพระเทวทัตเวลาพูดอะไรขึ้นมาก่อนพระเทวทัตไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนี้ทําให้พ่อของเทวทัตคือพระเจ้าจุติสุภพุทธมีความขุนเคลืองในใจอยู่ตลอดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระวงศสาคนาญาติพระพุทธองค์จะไปฉันจังหันตอนเช้านะจะไปฉันอีกที่แห่งหนึ่ง แต่ว่าผ่านเมืองไปพระเจ้าสุภพุทธะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านถนนสายนี้ไปฉันท์ที่อื่นพระเจ้าสุภพุทธะมาตั้งวงเล่าอยู่ในถนนสายนั้นปิดถนนมางั้นพระพุทธองค์มาถึงพระเจ้าสุภพุทธะไม่ยอมเปิดทางให้บอกให้พวกเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใหญ่กว่าเราเราใหญ่กว่าเพราะเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เพราะนั้นเราไม่หลีกทางให้เราไม่ยอมหนีจากทางส่วนเสนาอํามาตย์พวกมหาเล็กเขากระทูลว่าขอให้พระองค์หลีกทางให้เพราะพุทธเจ้าครับพระพุทธองค์พร้อมพรประสงค์จะไปฉันจะต้องผ่านถนนสายนี้ไปไปสายอื่นไม่ได้ไม่ยอมพราก่อนที่สุ ป, ปพุทธจะไปตั้งวงกินเหล้าก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางอื่นที่จะไปเออแค่ว่าไปตรงไปอยู่ที่คอคอด์ตอะไรเงี้ย แ่ที่ปิดถนนสายนั้นเลยแ่ไม่ให้ไปทางอื่นได้ทีนี้พุทธองค์ก็เห็นว่าสุ ป, ปาพุทธะไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมพุทธองค์อบอกรพุทอกก็กลับกลับวัดเลยวันนะั้นพร้อมกับพระสงฆ์พอกลับไปแล้วสุ ป, ปาพุทธะเนี่ยก็ให้ตำรวจหรือว่าคนบุรุษที่สอดแนมจานละบุรุษเป็นตำรวจสันติบาลไปตามที่พระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไงทีนี้พอตามไปถึงวัด พระพุทธองค์ก็บอกว่า พ, พุทธองค์แย้มพระโอ์พรโอพระเจ้าเป็นดินสุ ป, ปพุทธะในกรมหนักอีกจากนี้ไปเจดวันสุ ป, ปพุทธะแผ่นดินจะสูกอยู่ใต้อจจจันต์คือพื้นแผ่นดินตรงบันไดขึ้นปาสะแผ่นดินจะแยกตรงนั้นสูบสุ ป, ปพุธะแผ่นดินจะสูบที่ตรงนั้นทนีนี้จากนี้ไปเจดวัน พระพุทธองค์ตรัสให้พระอาน์เพราะพระอานุ์ถามพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์กวาดตรัสว่าเออกรรมของสรรพสัตว์เป็นกรรมหนักของสุภาพพุท ธ, ธเพราะเบียดเบียนพุท ธ, ธนี่แหละที่ว่าใครทํากรรมสิ่งไหนไว้กับพระพุทธเจา้าหรือพระอรหันตสาวกมีกรรมมากแต่ใครผู้ทําบุญด้วยก็เป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะ ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นที่ไปปิดถนนทอนทางถ้าปิดคนธรรมดาก็ไม่คงจะไม่มีบาปกล้ำถึงขนาดนั้นแต่นี้นไปปิดทอนทางพระพุทธเจ้าก็พร้อมกับพระสงไม่รู้พระหานกี่รูปอยู่นะไปทํากล้ำหนักสุภาพูไธยพอได้ยินข่าวอย่างนั้นแนละ้วก็บอกได้หอุทานขึ้นมาบอกขึ้นมาว่าอื่หลานของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดจริงไหนเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสอง แต่เอาเถอะข่าวนี้เราจะจับผิดพระพุทธเจ้าเราจะจัดการของเราให้เรียบร้อยเราจะไม่ลงไปเราจะไม่ไปตรงที่บันไดนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ลงไปที่นั่นแผ่นดินมันจะสู่เราได้ยังไงสุปพุท ธ, ธาท่านเตรียมการอะไบ้ขึ้นไปอยู่บนปราสาทเจชั้นขึ้นไปขนของใช้ทั้งหมดเขาขึ้นไปไปอยู่ในปราสาท บันไดกวใครพับไว้หมดประตูทุกบานปิดไว้หมดประตูแต่ละบานก็มีบุรุษสองคนทหารสองคนเดินอยู่ข้างประตูอย่างแข็งแรงกำชับไฟบ่อยเวลาข้าจะลงมาสูงเจ้าต้องผักไว้นะอย่าให้ข้าลงประตูปิดไว้ให้ดีใส่กรอนไว้ให้ดีทุกทุกวันจนกว่าจะพ้นเจดวันไปพูนนะไม่ใช่ธรรมดาที่ทิฏฐิของของคนดีนะ ไม่ยอมแพ้ร แ, แบนั้นแแต่ว่าเชื่ออยู่พอพระพุทธเจ้าพูดหนึ่งไม่มีสองทีนี้พระสงฆ์ก็บอกพระสงฆ์รู้แล้วว่าสุปพปุท่านี่เตรียมการรักษาอย่างเข้มแข็งขึ้นอยู่ปราสาท7็ชั้นผลของอุปกรณ์ในการใช้ขึ้นไปไว้ทั้งหมดปิดประตูใส่ก่อนแล้วก็มีทหารยามทุกทุกชั้น บรรไดก็พับเอาไว้แม้ว่ารักษาอย่างเข้มแข็งจนกว่าจะเกินวันที่เจไปผ่านไปแล้วจึงจะลงมาตามปกติพระพุทธองค์บอกว่าถึงสุปปุทธะจะปิดอย่างนั้นเจวันแผ่นดินก็จะสูบตรงนั้นถึงสุภ ป, ปุทธะจะไปอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลแผ่นดินจะสูบตรงนั้นถึงสุภุ ป, ปพุทธะจะไปอยู่ใน ซอกเขาไปรีไปหลบรีอยู่ซอกเขาที่ไหนก็ตามสุปพุทธะเขาจะต้องมาแผ่นดินสุบตรงนั้นเพราะพระพุทธเจ้าพูดแล้วหนึ่งไม่มีสองพระพุทธพยากรณ์อย่างนั้นอีกแต่นีก็พอจวนเขามาพอถึงเจ็ดวันเขาก็รักษาอย่างเข้มงวดขวดขันพอถึงวันที่เจ็ดม้าที่สุปพุทธะใช้เป็นเป็นม้านักรบมันคึกขึ้นมาถึง ถ้า ต, ตามปกติม้าตรที่มันคึกขึ้นมาแล้วสุปาพุทธะต้องไปจับเท่า น, นั้นเองมันจึงจะหยุดถ้าใครจับไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีวันเหมนั้นเถะมันขยโงงโค้งเข่งเต้นอยู่ในใต่บันไดปราศาทตร์เป็นคอกมา้าม้าตอมันคึกอย่างขนาดหนักไว้พอสุปาพุทธะอยู่ชั้นบนได้ยินเสียงมา้ามาลึงตึงตังมาลึงตึงตังก็ถามเสียงอะไรอบอกว่าม้า ม้ามันคึกมันขนองอยู่ในคอกของมันใต้ถุนปร า, าสาทสุภว่านลืมคิดจะว่าในตัวเองได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรเอาไว้นะกรรมมันบันดาลอย่างนั้นเนะ๊กรรมคือการกระทําของตัวเองมันบันดาลอย่างนั้นพรวน่สูรก็บอกให้เอาเปิดประตูเนลงไปหามา้าไม่ได้คิดว่าแผนที่จะสูบตัวเองอ่างั้นพอเปิดเปิดประตูก็เปิดเองปุ้ ง, งพอปุ้ง นายทวันประตูที่รักษาวัตถีวะจะรักษาให้ผักอกเอาไว้ผักคอผักหลังถลําลงไปอพอชั้นหนึ่งผ่านพันที่สองเปิดประตูอีกคน 1, พันสองพากองไปอีกไปถึงชั้นสามตอวิ่งไปตามบันไดภาคอีกจนถึงชั้นที่สุดท้ายฐานบันไดอัศจรรย์ที่ฐานบันไดชั้นต่ำสุดแผ่นดินก็แยกพอแยกเสร็จแล้วก็ สรภพุถธธาก่อนลงสูม่มหาวิจินรกไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรืว่แสดงคารวะอะไรทั้งหมดไม่เหมือนเทวทัต เ, เทวทัตแผ่นดินสูบ่พอสูบลงไปถึงคอพอถึงคอเลยยังเอาขากรรไกบรบูชาพระพุทธเจา้าเมาว่าข้าพระองค์ได้ทําผิดแล้วทําไม่ถูกไม่มีสิ่งที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธเจา้าเอาขากรรไกรคือคางของข้าพเจา้าบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ ขอพุทธองค์จงอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยจากนั้นอดแผ่นดินก็สุขเทวทัศน์แต่สุปปภุธาเนี่มมยไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างนั้นเถอะผมไม่ได้ศึกษาไม่ได้บวชเลยม่รู้จกักคารวะขออภัยแล้นไม่มีพอวิ่งลงไปไปถึงแผ่นดินแยกถลําลงไปตกไปเมฆเวทีมหานรกนนเดี๋ยวนี้ยังไม่ขึ้นอยู่งั้นเถอะนั่นแหละอันนี้คือปัจจุบันนกักกลั่มกลั่มคือการกระทําในปัจจุบันการกระทํากลั่มหนักก็ได้รับผล ในการกระทํานั้นๆการกระทําในปัจจุบันบางคนก็ทกํากรรมในอดีตอดีตกรรมผลก็ให้ผลมาวิบากเป็นวิบากเมื่อทําไปแล้วตกนรกหมกไหมแต่วิบากตามมาอีกอันนี้ก็มีเพราะนั้นเอาไว้วิบากกรรมกรรมคือการกระทําไว้แล้วมันยังใช้ที่นี่ยังไม่หมดมันตกไปแล้วใช้ไปแล้วแต่วิบากยังตามมาอีกให้ผลอีก อย่างต่อเนื่องอันนี้ว่าวิบากกรรมสืบเนื่องมาการในการกระทำของของแต่ละดวงวิญญาณของแต่ละคนเพราะนั้นอดีตกรรมกดีปัจจุบันกรรมกดีมันเป็นพวกพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดในการกระทาท้านพิจารณาดูแล้วสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่ถูกต้อง อย่าไปคิดอย่าไปริธรรมในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทำไปแล้วสิ่งที่เรากระทำไปแล้วนั้นมันจะให้ผลสืบเนื่องไปในภพต่อๆไปเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านห้ามไว้อย่าทำพวกเราควรจะสำเนียกสำนึกไว้ให้ดีควรจะศึกษาให้เข้าใจทำใหม่เพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย ควรจะสํานึกจะได้หลวงพ่อพูดถึงปัจจุบันกรรมแล้วก็ควรจะพูดถึงอดีตกรรมด้วยอดีตกรรมวิบากกรรมคือการกระทําในอดีตท่านก็อยู่ในธรรมปรัฏฐาคาถาอันเดียวกันนี่แหละกานว่ามีพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาตั้งแต่บวชเข้ามาแล้วพอเป็นพระแล้วท่านเดินไปที่ไหนมีผู้หญิงสาว เดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาไปบินทบาทก็มีผู้หญิงเดินตามหลังตลอดญาติโยมบางคนเขาก็าอกเออข้าวทัพพีนี้ใส่บาทให้ท่านนะแต่อีกทัพพีหนึ่งใส่ให้ผู้ที่เดินตามหลังท่านมาบางคนเขาก็พูดเพราะเขาไม่รู้พิบิไในนั่นคืออะไรแต่ผู้หญิงน่ะเดินตามหลังเขาตลอดแต่นี้พอท่านมาอยู่มาอยู่วัดบวชเข้ามาแล้วพระองค์เนี่ย เมื่อมาอยู่วัดปลาเชตตะวันพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นเห็นว่าผู้หญิงเดินตามหลังท่านตลอดท่านอยู่ตามลําพังกับผู้หญิงอยู่ตลอดอยู่ที่กุติแต่พอเข้าไปหาจริงๆก็ไม่เห็นแต่พอคนออกพ a r ห่างๆก็เห็นพระทั้งหลายแหล็จะทํำยังไงดูแลมันน่าเกลียดพระแท้ๆยังมีผู้หญิงเดินตามหลังอยู่ตลอดผู้หญิงสาวอีกต่างหากเขาก็ไปฟ้องเจ้าของวัดอนาถาเบนติกาเศรษฐีบอกว่าโยมเศรษฐี เนี่ยพมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นอะพุศินนะไม่มีศีลมีผู้หญิงตามหลังน่าเกลียดมากทําไมยังเป็นอย่างนั้นขอท่านไปไล่ออกจากวัดซะ้ะอ น, นาถาเมติก็บอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดเชดตะวันอยู่ใช่ไหม ย, ยังอยู่โออันนั้นเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้ากับผมไม่ขอเข้าไปยุ่งด้วยเพราะงั้นแต่พระพุทธองค์คงรู้หมดทุกอย่างแล้วเป็นหน้าที่ของพระพองค์ จะให้อยู่หรือจะให้ไปยังไงก็ผมไม่เกี่ยวเมื่อพระไปฟ้องพระอนาถาบระเดี๋ยวไม่เข้าไปเกี่ยวข้องพระก็ไปฟ้องนางวิสาขาอีกไปฟ้องนางวิสาขาวนี่ยมีพระองค์หนึ่งอยู่ทําตัวอย่างนั้นะผู้หญิงเตืนตามหลังอยู่ตลอดไปบินทบาดไปเพล่เพล่เดินตามหลังห่างๆจะเห็นนางวิสาขาพระพุตที่เจ้าประทับอยู่ที่วัดอยู่สม่ไหมขณะนี้อยู่โพะฉันไม่เกี่ยว เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรฉันไม่ยุ่งฉันไม่เกี่ยวเรื่องของพระจากนั้นเขาก็ไปฟ้องพระเจ้าประเสียนพระเจ้าประเสียนคือปกครองกรุงสาวถถัตถีเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสียนเลก็บอกว่ามีพระอยู่ในนั้นทําให้เสียหายต่อวงการสงฆ์พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาคนเข้ามาบวชตั้งเยอะแยะมีพระองค์เนี่ยทำตัวไม่ดีเลยทําไมทําอย่างนี้ พระเจ้าเปรตเสียนว่าอยู่แถวไหนกุฏิหล้างไหนพระสงฆ์ก่เขียนใครเข้าวัลักษณะเขียนแผนที่ให้เหมือนนั้นเถอะอยู่หล้างนั้นหลังนั้นหลังนั้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นทีพระเจ้าเปรตเสียนก็เอือส่งตำรวจไปก่อนมือันพอส่งไปก็ล้อมกุฏิเลยพอล้อมกุฏิเสร็จแล้วก็พระเจ้าประเสียนก็เดินไปตามหลังไปก็เขาล้อมเสร็จก็แสดงว่าเมืองสมัยนะั้นเป็นเมืองน้อยนะพระเจ้าไปดินไปจัดการเองเลยเหมนนั้น ตอพระเจ้าปเสนก็เห็นเห็นอยู่ที่หน้ามุกเห็นผู้หญิงคนนั้นนะนั่งอยู่หลังของพระพอล้อมเสร็จแล้วตอนี้ขึ้นไปดูข้างบนกุฏิดูตามใต้ตรงใต้เตียงศอกข้างฝาข้างประตูไม่เห็นเห็นแต่พระพระเจ้าประเสนก็บอกว่าเอาโยมเห็นผมเห็นผู้หญิงอยู่ในเนี้ยท่านเห็นไหมวะอาตมาไม่เห็นเผ่านันอาตมาไม่เห็นแต่คนเคยพูดรู้ว่าเห็นคนตามหลังเห็นผู้หญิงตามหลังอาตมา แต่อาตมาไม่เคยเห็นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ลูกเทียมหรือเปล่านี่วลงมาอีกลงมาอีกดู่างทางให้ท่านออกมายืนอีกก็เห็นอีกเคลื่อนไปอีกครั้งที่สองพอไปถึงครั้งที่สามเลยปตรวจอย่างละเอียดไม่มีโอ้ได้ท่านคงจะมีกรรมอะไรบางอย่างก็เลยประวรณ น, นาไปท่านครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านไปบินธบัติที่ไหนเขาคงจะไม่ใส่บาทให้ท่าน พรมีผู้หญิงเดินตามอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอใหมนุษยปฉันที่บ้านของกระผมนะกระผมจะดูแลปฏิบัติท่านอาหงอาหารท่านไม่ต้องลําบากต่นี้ต่อไปจากนั้นก็บพระสงฆ์ต่างหลายเลยดูซิอยากจะให้พระเจ้าแผดินมาไล่ออกไปกลับมาป ร, รณนาอีกต่างหากนี่พระองค์นี้มันเป็นอย่างไรนี่จากนั้นกัไปฟ้องพระพุทธเจ้ากันนีเพราะว่าพระอานี้พอพระเจ้าแผดินสนับสนุนท่านเอง เสียงแข็งขึ้นมาแล้วเนตะก่อนไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าต่อแยไม่กล้าต่อแหลกับใครๆไม่กล้าพูดกับองค์ไหนที่เขาพูดวัานี้ท่านเนเป็นผู้มีศีลท่านเป็นผู้ไม่มีศีลท่านทําไมมีผู้หญิงเดินตามหลังตะกอนพูดแตงไม่พูดอะไรกลัวแต่พอพระเจ้าแผ่นดินหนุนหลังเท่านั้นน่ะพวกท่านก็เหมือนกันนั่นแหละเยอย่มาพูดกับผมผมผมไม่เห็นเนี่ยพวกท่านก็เหมือนกัน่ผู้หญิงเดินตามหลังเหมือนกันนั่นแหละให้เข้าพูดส่งเด็ก พูดแบบโกหกกันแต่พวกอื่นเขาเห็นเนี่ยแต่พระโตอเองไม่เห็นแต่พูดไปอย่างนั้นพูดแก้เกี้ยวพูดข่มเขาไว้อย่างนั้นแต่เพราะว่ามีพระเจ้าเป็นดินหนุนหลังแล่วแต่นี้ก็พระสงฆ์ก็เลยไปกราบถุลพระพุทธเจ้าไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยได้บ้างไปกราบรภูลพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็าเรียกมาทั้งสองทั้งสองกลุ่มที่ทั้งโจดและจำเลยอย่างนั้นโจทนีก็คือพระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นผู้หญิงเดินตามหลังส่วนพระนี่ก็ไป ไปท่านก็ถามว่าพวกท่านทั้งหลายทําไมเห็นไหมที่พระองค์เห็นเขาเห็นจริงๆไม่ใช่หาเรื่องใส่เห็นผู้หญิงเดินตามหลังจริงๆส่วนพระนี่เขาบอกว่าท่านเห็นไหมพระที่ผู้หญิงเดินตามหลังท่านเห็นไหมเห็นพระแล้วนะไม่ครับไม่เห็นเอาทําไมท่านจึงพูดท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงการพูดอย่างนี้ทําให้ท่านจะต้องรับกรรมอีกต่อไปเพราะนั้นท่านอย่าพูดในสิ่งที่ไม่เห็น อย่าไปพูดในสิ่งที่มันมันมันไม่ถูกต้องให้ตัดความพูดของตัวเองทั้งหมดให้อยู่แบบนิ่งให้อยู่แบบเงียบท่านจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้แต่ท่านยังมาพูดต่อสู้กับเขาย่างนี้เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอาแพ้เอาชนะทั้งที่ตัวเองไม่เห็นก็ไปบอกว่าเห็นว่าเดินบอกวัดพระท่านทั้งหลายกัพี่ผู้หญิงเ ด, เดินตามหลังเหมือนกันัด้แหละเนี่ยจะ่ามาหาเรื่องสิทธิผมเนี่ยท่านพูดอย่างนี้ไม่ถูก ต้องพูดตามความเป็นจริงเพราะเราเป็นพระปกติเจ้าขู่ให้พระเตือนพระองค์นั้นท่านก่อน่งเงียบท่านรู้ไหมว่าที่ท่านมีอย่างนี้เพราะกรรมของท่านท่านในอดีตเป็นวิบากกรรมของท่านเองพระสงฆ์ก็เลยบอกว่าเป็นวิบากกรรมเลือกอะไรหนอพระเจ้าขา่าท่านก็บอกว่าในอดีตชาติมีพระสององค์เหมือนกับออกมาจากท้องแม่เดียวกันรักเคารพนับถือกันมากไปที่ไหนเวลาองค์หนึ่ง เข้าไปถ่ายอุจจาระองค์หนึ่งก็ยืนเฝ้า อ, องค์หนึ่งไปปัดเสวะองค์หนึ่งก็ยืนเฝ้าการฉันกับฉันด้วยกันเวลาแยกแยะกันอยู่เวลาพักผ่อนจากนั้นพอเจอตื่นขึ้นมาเอามาเจอกันเดินนุ่มนั่งภาวนาก็เป็นคู่กันแปลว่าพระสององค์นี้รักกันมากเหมือนกับออกมาจากท้องแม่เดียวกันแต่สมัยนั้นในยุค ข, ของพระพุทธเจ้ากัดสปะอายุคนอายุยืนสองหมปี พระสงฆ์ยุคสมัยนั้นอายุยืนสอง0 0ื่ปีอายุ100ปีหน1ปียังค่อยลงอุโบสถครั้งหนึ่งหรือ6เดือนลงอุโบสถครั้งหนึ่งสุดแท้แต่พระสงฆ์จะกําหนดกันไม่เหมือนของเรานะศาสนาของพุทธเจ้ า, ายุคแปปีเป็นอายุไขพระโคตมะอย่างพวกเราเนี่ยสิวันลงอุโบสถครั้งหนึ่งแต่ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็จะฝันห6เดือ น, 6 เ, อน6เดือนถึงปีหนึ่ง จึงลงอุโบสถครั้งหนึ่งตอนนี้พอถึงกําหนดวันอุโบสถนี่พระสองสหายที่เป็นรักเคารพกันเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะไปลงอุโบสถเดินทางไปเ่เทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเห็นจะกันแกล้งจะแย่เล่นเหมือนกันเถอะเทวดาเกเลก็มีเหมือนกันนะเออเทวดาเกเรเห่างนกันแถอะคิดสนุกว่างนันเถอะคิดสนุกไม่เข้าเรื่องเหมือนกันเถอะเห็นพระสององค์ถูกกันดีครับ ไปด้วยกันตลอดยืนเดินนั่งอยู่ที่ไหนหเห็นองค์หนึ่งก็เห็นองค์หนึ่งว่า ง, งั้นนะแตนี้เท ว, วดาอยู่ชั้นดาวหนึ่งเอ๊ะจะแกล้งพระสององค์เนะี่ยให้ทะเลาะกันไม่ให้มันไม่ให้อยู่นั่นกันเอาจะไงก็เลยองค์หนึ่งเดินกําลังเดินไปเดินทางไปองค์หนึ่งก็บอกเออเดี๋ยวผมจะไปหนาส ก, ก่อนนะผมไปไปป่าสักก่อนให้ท่านออนั่นนะวันนี้ก็เป็นที่รู้กันองค์นั้นก็ยืนคอยองค์นึ่งก็เข้าไปถ่ายอุจจระในป่าละมอก เทวดาไปแก้งองค์ที่อยู่ในป่านะพององค์นั้นเดินออกมาจากป่าก็มีผู้หญิงเดินตามหลังมาด้วยเดินตามหลังพระองค์นั้นองค์ที่เดินมาอย่างใกล้ชิดเหมือนกำังไปทําอะไรออกมาแล้วอย่างนั้นนะ่ะทีนี้ก็องค์ที่ยืนคอยนี่ก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยบอกโอ้โ oh, หท่านทําไมทําอย่างนี้ได้องค์นั้นก็บอกว่าเป็นอะไรเอา้าก็เห็นผู้หญิงเดินตามหลังใกล้ชิดท่านมาเนี่ยทํามากับกิริยาอย่างนี้ได้หรื ไม่ใช่ผมไม่เห็นไม่เห็นได้ยังไงท่านปฏิเสธต่อหน้าต่อตาได้ยังไงท่านผมเห็นต่อหน้าต่อตาแท้ๆก็เลยทะเลาะกันบาปพอทะเลาะกันก็นไปเข้าอุโบสถไปหลงอุโบสถพระสงฆ์ก็เต็มไปหมดเลยสององค์ทะเลาะกันแหละบาปเนี่ยพระองค์เนี่ยทุสิลไม่มีสิลขาดจากการเป็นพระแล้วสิกธิขบข้อที่หนึ่งเลยแหละผมไม่สงสัยองค์นั้นว่าไม่จุดดําแม้แต่นิดเดียว ในการกระทําของผมไม่มีผมบริสุทธิ์ผมไม่เคยทําอย่างนั้นเลยอย่าไปคิดว่าผมนั่นนะผมบริสุทธิ์ไม่มีองค์นี้ก็ยืนยันองนั่นก็ปฏิเสธผลที่สุดเทวดาที่ไปแกล้งไปล้อเล่นมาอยู่บนทางมาอยู่ทางอากาศก็บอกว่าขอท่านทั้งหลายฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองเป็นคนเลาะเล่นกับพระองค์นั้นท่านไม่ได้ทำอะไรท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นความผิดของข้าเองข้าได้ไปทำให้ท่านาทะเลาะกันเป็นความผิดของข้าไปเจ้าเพรท่านทั้งหลายจงรับพระสงฆ์องค์นั้นลงอุโบสถตามปกติเถิดท่านไม่ได้มีความผิดอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยยอมรับพระเทวดาอยู่บนอากาศมาบอกกล่าวแต่ถึงยังไงก็จะพระองค์ที่เป็นเพื่อนกันไม่สนิทใจอย่างเก่าเพราะเห็นต่อหน้าต่อตาแ้นอ่าเเห็นต่อหน้า ต, ตาน่น เรื่องพระสงฆ์เนี่ยถ้าว่ามันไม่บริสุทธิ์แล้วมันเครืองนะมันรับไม่ได้เพราะงั้นเถอะแต่นี้เราพอต่างคนก็ต่างหมดอายุไขพระสององค์นี่ยับไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมของท่านแหละส่วนเทวดาเนี่ยออกจากดาวดึงชั้นดาวดึงดิ่งลงนรกเลยป่าเนเทวดาตกนรกได้ป่านไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยเป็นวิบากเป็นกล้ำของตัวเอง กรรมคือการกระทํากระทําในสิ่งที่ไม่ควรทําไปกันแกล้งประสงค์ให้ทะเลาะกันให้แตกสมรคีกันจากนั้นก็ไปตกนรกไปตกนรกถึงพุทธันดรหนึ่งคือตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสจปะจนมาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะจึงได้พ้นจากนรกพุทธันดรหนึ่งจากนั้นก็มาเกิดเป็นคนนี่หละในกรุงสวัรถีก็เลยมาบวชมาบวชเป็นพระเพราอมาบวชเป็นพระนะ่ะอนุบบาท ก, กรรมที่ตัวเอง ไปทาไว้กับพระสององค์นั่นน่ะนั่นแหละพอเดินไปที่ไหนก็มีลูกผู้หญิงเตินตามหลังมาตลอดเพราะวิบากกรรมมานั้นนี่แหละในหลักของพุทธศาสนามีอย่างนี้ให้ได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาอยู่บ่อยๆแต่ถึงอย่างไงก็ตามนะที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้มาในพระไตรปิฎกแต่พวกเราจะเข้าใจอย่างไงเออแต่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ข้าพเจ้าไม่เชื่อ ก็เป็นสิทธิ์ของของเราทุกคนข้าพเจ้าฟังไว้พวกะข้าพเจ้าไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้ารับฟังไว้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพวกพวกเราข้าพเจ้าเชื่อเพราะเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าต้องเชื่อแบบสนิทใจที่พระพุทธเจ้าอพระอรหันต์เป็นไปได้เพราะกรรมคือการกระทำเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละข้าพเจ้าเชื่ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้น เป็นแนวแถวกลมหรือวิบากของกรมเนีถ้าว่าเราพิสูจน์แบบแผ่นดินแข็งแท้ๆมันแผ่นดินมันจะไปสูบคนได้ยังไงไม่น่าเชื่ออันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามให้ฟังเอาไว้เพราะหูของเรามีสองข้างไม่ใช่หูข้างเดียวถ้าหูข้างเดียวหรือฟังแล้วให้เชื่อเลยแต่หูสองข้างเนี่ยเราต้องฟังเอาไว้กลมคือการกระทําปันจําแนกกลมจำแนกสัตว์ให้เป็นหลายๆอย่าง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมมันนั่งอยู่ที่นี่เป็นคนเหมือนกันทั้งหมดแต่การคิดไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันพอไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทําไมจําแนกไม่ดีขนาดนี้กลับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าหน้าตารูปร่างกายตัวนิสัยใจคอจะแปลกแตกต่างกันเป็นผู้ชายก็เหมือนกัน แปแต่ต่างกันเหมือนกันนี่แหละกรรมจำแนกให้สัตว์เป็นไปได้ลหลายอย่างกรรมมูนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วเพราะนั้นพวกเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปริรรำทำแต่สิ่งที่ดีถ้ากระทำกรรมดีแล้วกรรมดีนั้นจะตามสนองพวกเราจะไปในภพภูมิใดก็ตามมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความถูกต้องเป็นธรรม มีแต่ความสุขกายสบายใจทั้งนั้นแหละถ้าทําสิ่งที่มันดีถ้าสิ่งทำทํากรรมสิ่งที่มันไม่ดีแล้วถึงจะมีความสนุกสุขในขณะที่ทําผลตามสนองนั้นพวกเราไม่พึงปรารถนาติดตามไปมากต่อมากและก็ทําให้เสียใจไปมากต่อมากเพราะกรรมชั่วพระพุทธเจ้าบอกกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้น ย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังในในพบบรนะบาลีในโอวาดพระปฏิโมอกอัคตังลูกตังเสยโยปัชาตปกติลุกตังยยตกรรมชั่วจะทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เห็นได้ฟังแล้วให้สังเกตการกระทําสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีแล้วสิ่งนั้นมันจะตามสนองอย่างพวกเราทําให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายเขาห้ามไว้เราไปทํา หรือเราไปทําให้แก่ใครก็ตามทําให้เขาเสียใจทำให้พ่อทำให้แม่ทําให้พี่ให้น้องให้สามีพัญญาลูกเต่าจิงไหนก็ตามที่เราทําไปแล้วทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาไม่สบายใจกรรมนั้นก็จะตามสนองเราเหมือนกันนะทําให้เราไม่สบายใจเหมือนกันทําให้เขากันกันแกล้งเราเหมือนเราไปตีหัวเขาเขาก็คิดตีหัวเราเราจะไปฆ่าเขาเขาก็คิดฆ่าเรา เราไปค่าพี่ฆ่าน้องเขาเขาคิดเข้ามาคิดข่าพี่ฆ่าน้องเราเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราเรายิ้มแย้มต่อเขาเขาก็ยิ้มแย้มต่อเราเนี่นี่แหละกรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีไว้ความดีนั้นก็จะตามสนองเราเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพระพุทธเจ้าเน้นหนะักกรรมคือการกระทําของพวกเราอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง การอยู่ร่วมกันถ้าจะว่าไปแล้วก็คือสิ่งการอยู่ร่วมร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขการอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเรีว่าความสมามัคคีความพร้อมเพียงจัดถ้าจะจัดให้เป็นหมวดก็คือหมวดสิ่งการอยู่การเป็นอยู่ด้วยความเป็นธรรมสัมภคมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษชื่อว่าสิ่งส่วนสมาธิ คือพยายามทาจิตให้สงบอันนี้เป็นเรื่องของละเอียดภายในใจสินนั่นก็คือกายกับวาจาส่วนสมาธิเนี่ยอบรมทางด้านจิตใจโดยตรงเลยก่อนที่จะอบรมจิตใจได้ใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ตรวจตราไม่ได้สังเกตจิตใจของเราคิดแต่ละวั น, นตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงค่ามันคิดเรื่องอะไร ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีเครื่องวัดไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรวัดแล้วมันจะคิดของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราเอาสมาธิหรือว่ากรร ม, มาฐานใดกรร ม, มาฐานหนึ่งเข้าไปจัดให้มันอยู่นิ่งกับกรร ม, มาฐานนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตของเราเนี่มันนักคิดจริงๆมันหลูกลิดจริงๆมันเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆมันปร่งฟุ้งซ่านจริงๆ มันไม่อยู่กับตัวจริงๆมันคิดเรื่องนี้มันคิดเรื่อง น, นั้นคิดเรื่อง น, นั้นคิดเรื่อง น, นี้มันที่เราเห็นลิงที่มันหูุรลิบหลงลิบหลอกแหลหลอกแหลกเราเห็นลิงที่เขามาพัดมามัดมาผูกเอาไว้มันแสดงอากับกิริยามันไม่อยู่นิ่งถ้าจะมาเทียบเทียบกับใจของเราแล้วลิงตัวนั้น่ะตกขอบไปเลยใจของเรายิ่งกว่านั้นไปอีกยิ่งกว่าลิง เพราะนั้นให้เราสังเกตูถ้าเอาสมาธิข้าบาจับแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจของเราเนี้ยมันคิดอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเนีเดี๋ยวจะว่าทุกวินาทีนั่นะอ่ะอามันขยับบางานกันเพราะนั้นเราจะทำยังไงใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นี่อันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านเทศนาว่าการอบรมคือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ทําสมาธิคือทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้สงบและจะทํำยังไงจิตจึงจะสงบจิตจะเป็นหนึ่งได้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถ้ามันคิดมากๆ ม, ม, มันก็มีแต่คิดปูมฟุงฟ้งไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นท่านจึงให้เอาสติสติคือความระลึกได้ สัมปชัช ญ, ญะคือความรู้ตัวเอาสติสัมปชัช ญ, ญะเข้ามาดูใจของตัวเองกําหนดกายของตัวเองกําหนดที่ไหนที่เห็นได้ชัดก็คือกายเวทนาจิต ธ, ธรรมกายนั้นคือที่ไหนก็กายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือกายเกี่ยวเนื่องกับกายถ้าไม่มีลมหายใจเข้าไม่ลมไม่เข้าคนนั้นก็าตายถ้าลมไม่ออกคนนั้นก็าตาย ถ้าไม่เข้าไม่ออกลมแปลว่าจุดลมละคนนั้นตายเพราะฉนั้นยังมีลมเข้าออกอยู่เปราะนั้นคนนั้นยังไม่ตายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่เรายังไม่ตายยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดถึงจะนอนหลับก็ยังหายใจหายใจเข้าหายใจออกยังเดินเครื่องอยู่ตลอดเหมือนกันลงสีอย่างนั้นอลงสียังเดินเครื่องอยู่ตลอด24ชั่วโมง ไม่ใช่ยี่สีชั่วโมงตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเจีดหกสิบเจ็ดสิปีท่ า, านอายุยืนก็เป็นร้อยปีโรงสีโรงงานติดอยู่ตลอดเวลาเครื่องเดินอยู่ตลอดเวล า, าแต่นี้เราจะเอาลมจับที่ตรงไหนนี่แหละเอากรรมาฐานจับที่ตรงไหนท่านให้ก ำ, ำหนดลมให้เห็นลมตัวเองเพราะว่าลมตัวนี้เป็นที่บ่งบอกอว่าร่างกายนี้ยังอยู่ นั่นจึงให้กำหนดลมหายใจเข้าอาสติจับให้แน่นอย่าไปคิดปรุงไปทางอื่นเราปรุงฟุ้กไปทางอื่นม า, มากๆต่อมากแล้วอย่างที่ว่ามันลุดติดลุดติดมาจนพอแรงแล้วมันคิดวันหนึ่งปีหนึ่งมันคิดไม่รู้กี่ครั้งติดโตกี่หนแล้วแต่คราวนี้เราจะพยายามทําจิตให้สงบให้ได้ทดลองดูสิเอาอย่างไรบังคับดูสิมันจะเป็นยังไงแต่ตามไม่จริง ครูวาอาจารย์ท่านว่าให้บังคับนะให้บังคับจิตที่จะเข้าสู่ความสงบเบื้องต้นจะปล่อยตามอำเภอใจปล่อยตามอัธยาใจปล่อยที่จะให้มันเป็นเองมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเด็กที่มันไม่รู้จักการรู้จักงานไม่รู้จักการศึกษาเราจะให้มันคิดสมัครเรียนเอาเองมันยากจนกว่า ม, มันจะรู้ว่าการเรียนนั้นมีประโยชน์อย่างไรส้ก่อนมันจึงจะ มีความตั้งใจที่จะเรียนที่จะศึกษาในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรายังไม่เห็นว่าจิตสงบมีคุณมีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรกับตัวเองอันนี้เรายังมองไม่เห็นคุณค่าในจิตสงบแต่เราได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนว่าจิตสงบนี้มีคุณค่ามาหาศาลมีประโยชน์มากสำหรับตัวของเราเองอันนี้คือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อ ในครูบาอาจารย์เชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อความเชื่ออย่างนั้นมีแล้วเราก็กลับมาดูเราต้องบังคับตัวเองเคยทดลองหนะึ้งก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนบังคับใจบังคับความรู้สึกให้อยู่กับตัวเองไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนใครเป็นคนเสียหายคนที่มีสติอยู่กับตัวเองพูดได้เลยว่าคนนั้นไม่เป็นบา ถ้าคนคิดมากๆปรุงฟุง้งซ่านจงคิดออกไปข้างนอกนั่นแหละ แ, แน่นอนเป็นบาได้จิตปรุงฟุง้งซ่านเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้บังคับใจตัวเองให้อยู่กับกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือตั้งศรัทธาคือความเชื่อในครูบาอาจารย์จากนั้นก็ลงมือบังคับใจของตัวเองให้อยู่กับกรรมฐานลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทบังคับถ้ามันยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่มันยังหามอยู่เราก็พยายามให้พุทโทให้ถีเย็บอย่าให้มันมีช่องว่างในระหว่างใจของเราคิดเรื่องอะไรในระหว่างที่มันคิดมันออกปุงฟุ้งออกไปนั่นน่ะให้มันอยู่กับพุทโทอย่าให้มันออกไปภายนอกกายพุทธโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทธโท ให้ถีอันนี้แหละ ว, วิธีการจะทำจิตให้สงบในเมื่อเราพยายามมีความตั้งใจมีความเชื่อตามแนวแถวที่พอ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยจิตของเราก็จะได้รับความสงบในขณะที่เราทำอย่างนั้นเราต้องเตรียมพร้อมพอสมควรการพูดการคุยการสนทนาปารบ การส่งจิตออกไปข้างนอกการคุกคลีกับหมู่คณะสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องตัดออกมาด้วยตัดให้น้อยลง อ, อยู่ตามลำพังอยู่อิสระไม่ต้องคุกคลีตีโมงกับใครๆไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนาสั่งสอนสำหรับผู้ที่จะทำจิตใจให้สงบได้ต้องเป็นผู้อยู่เดียวอยู่ลำพัง คนเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านไปบําเพ็ญถึงหกปีอยู่ในป่าปัญจวคีร์ทั้งห้าจะเข้าไปดูแลปณิบัติท่านแต่เมื่อท่านจะตัดรู้จริงๆปัญจวคีร์ทั้งห้าคนนี้จากท่านออกมาพระองค์ก็อยู่ตามลําพังพระองค์บําเพ็ญอย่างแก่กล้าจนได้สำเร็จได้ตัดสู้ทำจากนั้นจนึงได้ไปโปรดปัญจวคีร์ทั้งหาขณะที่ได้ตัดสู้ทำนั้นปัญจวคีร์ทั้งหานี้ออกมาแล้วแต่นี้ออกมานาน มากน้อยยังไงแค่ไหนอันนี้คงจะตอทนที่พุทธองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาท่วปัญจักรวิคีท่าหนี้จุดนั้นแต่คิดว่าคงจะไม่หนีนานเท่าไหร่คงจะไม่ถึงปีมั้ง <conservatives> นี่แหละอันนี้คือ ก, การบำเพ็ญของศิธถะจนได้ตัดสรู้ธรรมจะเป็นพระพุทธไทยจากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเวลาการนั่งสมาธิ ขณะที่นั่งสมาธิมานั่งในวัดนี้ก็เถอนะเมื่อออกไปจากศาลาหลังนี้แล้วเราไปพักกุฏิพักศาลาหลังไหนก็ตามอย่าไปคุยกันการคุยกันเป็นมลทินแล้วบาเป็นอุปสรรคในการทำสมาธิอย่างมากถือตัวเองคุยกันสนุกสนานสองคนแต่มันเสียงมันปุมพำปุม่มพำปุม่มพำไอ้นคนที่นั่งสมาธิรอบข้างของเราเนี่ยเสียผล การปฏิบัติทั้งหมดเพราะนั้นการมาอยู่วัดมีอะไรก็พูดกันซกตอนหัวค่าพอพูดกันแล้วกระจกต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างอยู่อย่างฝ่ายโยมอุบาสิกาก็เหมือนกันฝ่ายโยมผู้หญิงผู้เฒ่าผู้แก่การไปพักผ่อนนอนก็ให้อยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันการคุยกันมันเป็นเรื่องจะทำจิตให้วุ่นวายคู่ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวนาไม่ได้เพราะได้ยินเสียงคนคุยกันอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ท่านถือเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับผู้ปฏิบัติถ้าเห็นคนคุยกันแล้วท่านเฉ่งทันทีเลยเพราะเป็นเป็นทําให้คนอื่นนั่งสมาธิแล้วมันส่งออกไปตามที่เสียงที่ได้ยินเสียงมนุษย์เนี่ยเป็นพิภัยสําหรับการนั่งสมาธิอย่างมากเพราะฉนั้นพวกเราเราทุกๆคนนะมาปฏิบัติธรรม ที่หลวงพ่อได้พูดให้สังเกตดูก็แล้วกันเมื่อทุกคนคุยกันให้เรานั่งสมาธิดูมันจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในเมื่อคนอื่นนั่งเราไปคุยกันก็ลักษณะเดียวกันนะั่นะเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นขณะที่นั่งสมาธิทุกคนให้อยู่ในความสงบอย่าไปพูดไปคุยกันพอเรามาทั้งทีมาอยู่วัดทั้งทีตั้งเจดวันจะมาครั้งหนึ่ง พอมาเห็นก็มาคุยกันให้ผู้ที่นั่งสมาธิเปล่าประโยชน์เผืผ่อๆตัวเองจะได้รับกรรมผลของกรรมที่ไม่ดีมิเป็นที่บาต ก, กรรมอย่างที่พระที่ท่านได้รับมานั่นแหละแน่คนนั้นอย่าอย่าทำอย่างนั้นต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างที่บาตรของใครของเรานมมาอยู่ที่บริเวณศาลาให้พระตั้งจุดไฟเอาไว้เดินยกรมที่ไหน เดินแล้วเกิมานอนใต้ถุนศาลานี่ก็ได้ไปนอนที่ไหนก็ได้นอนข้างบนก็ได้เดินโยงกลมให้จุดเทียนซะเราเดินบริเวณศาลาคนหนึ่งจับสายหนึ่งคนหนึ่งจับสายเส้นหนึ่งหรือจะไปพักตามกุฏิของพระก็ได้มีที่พักถังเยอะแยะไปภายในวัดของเราปีนี้พระน้อยอีกต่างหากเราไปจองไว้เลยกุฏิหลังไหนไปทำความสะอาดเอาไว้ทำทำเดินโยงกลมเอาไว้ จุดทูบเทียนเดินบูชาพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพรรษานี่เราจะพยายามทําให้เด็ดเดี่ยวเข้มงวดขวดขันกับตนเองให้เป็นศีลเป็นธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจจิตใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในจิตในในจิตในใจของพวกเราถ้าเราทําดีถ้าเราทํ า, าทถูกต้องแล้วความสุขความเจริญจะเข้าสู่จิตใจถึงใครจะทําสิ่งใดก็ตาม เราจะไปสนใจเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับมันเป็นหนองน้ำใสจะอาดถ้าว่าใครไม่ลงไปอาบไปกินก็ เ, เป็นกรรมของคนนั้นเราจะไปห่วงไปอะไรเขาถ้าใครถ้าใครเชื่อว่าน้ํามีประโยชน์ก็ลงไปอาบไปกินไปใช้ไปสอยมันก็เกิดประโยชน์สําหรับคนคนนั้นคนที่ไปไม่ไปใช้คนไม่ไปกินมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะนั้นเราไม่ต้องเป็นทุต เป็นทุกข์เป็นร้อนเราเชื่อกรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีมันได้ดีทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าทํากรรมชั่วแล้วจะได้ดีได้ยังไงมันก็ต้องกรรมชั่วต้องตามสนองแต่ถ้าทําไม่ตายง่ายมันจะต้องเห็นคนที่ทำกรรมที่ทํากรรมชั่วเอาไว้ที่ ท, ทําสี่จริงที่มันไม่ดีจะต้องเห็น อ, ะอ่ะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งอย่างน้อยหัวใจของเขาก็ต้องทุกข์เดิดร้อนอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาเนะี่ยมันอยู่ในลึ ก, ลก มันฝังอยู่ในนั้นะกรรมชั่วเมื่อตายไปแล้วก็ น, นั่นแหะกรรมช่วนตัวนั้นแหะมันจะพากลากลงไปสู่นรกเอเวจีไปเรื่อยะเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตะ อ, อกตั้งใจนะให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในกลางคือการกระทําของเราเชื่อมั่นในบุญกุศลของเราพวกเราจะได้รับความพาสุกเย็นใจนะในวันนี้ได้พูดเสียยืดยาวได้พูดเรื่อง กรรมคือการกระทําปัจจุบันนักรรมอดีตกรรมวิบากรรมปัจจุบั น, นักรรมท่านยกเรื่องจุปธธปุทธ h พระเจ้าแผ่นดินเมืองวิเทหะแล้วก็วิบากกรรมในอดีตยกเรื่องพระที่เคยเป็นเทวดามาก่อนการแกล้งพระภิกษุให้แตกสมัิกีกันในสององค์ าการแม้เรื่องสมาธิการเป็นอยู่ร่วมกันก็คือเรื่องของสิ่งพร้อมเพียงสมัครี่กายวาจาให้เรียบร้อยตรวงเย็นเป็นสุขคนมีสิ่งเรื่องสมาธิก็พยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งคนที่ทําจิตให้เป็นหนึ่งได้คนนั้นจะมีหลักใจเหมือนกับเรามีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดมีหลังคา เป็นห้องที่พักพาอาศัยมีประตูหน้าต่างปิดเปิดถึงลมจะมาในทิศทั้งสี่กระพืพัดสั ด, สดเข้ามาเราก็มีประตูอยู่ในห้องหลังคาก็ไม่รั่วก็ได้รับความสะดวกสบายใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิดีจิตใจของเรามีที่พึ่งจิตใจของเรามีหลักใช้ศีลธรรมเป็นหลักโลกธรรมลาบยศจารเสญสุขสิ่งไหนก็ตาม กระแทกกระทันเข้ามาสู่ใจของเราเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องเป็นเครื่องคุ้มครองใจของเราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่มากระทบกระแทกใจของเราได้เต็มที่อย่างน้อยก็ใจของเรามีเกาะ ม, มีที่พึ่งเพรา ะ, ะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเสาะแสวงหาที่พึ่งทางด้านจิตใจคือสมาธิธรรม พวกเราจะต้องไปเจอมอรรสุมแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งในภายภาคหน้านี่นะฮะแล้วก็เคยเจอเคยพบเคยผ่านมาแล้วกระแทกกระทันมาเราพอสมควรแต่ว่าที่สิ่งที่มันจะกระแทกครั้งสุดท้ายของเรานะ่จุดนั้นจะเป็นจุดใหญ่มากถ้าว่าเราไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจเอาไว้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะพวกเราจะวันไหวไกวแขวงทุนลนทุนลายผลที่สุดกันน่ะ รับไม่ได้ถึงจะรับไม่ได้มันก็ต้องรับได้เพระฉะน้นพวกเราให้เตรียมตัวเตรียมกายวาจาใจเอาไว้เตรียมหลักเอาไว้นะในพูดถึงเรื่องสมาธิต่อไปนะจะพูดเรื่องวิปัส น, นาปัญญาพิจารณาอะไรขัานต่อไปแต่พูดเรื่องสมาธิทาจิตให้เป็นหนึ่งทาจิตให้สงบเป็นพื้นฐานไวนะ้เนี่ยทานได้จิตสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้ว เป็นพื้นไปแล้วจะเดินปัญญาวิปัสนาก็เดินได้พอมันเป็นมีพื้นแห่ความสงบไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบวชในพรรานี้พระนว ก, กะทุกงหรือพระเก่าทุกท่านนะก็พยายามเล่งความภาคความเพียรพยายามหาโอกาสให้แก่แก่ตัวเองอย่าไปปล่อยปักปล่อยกายปล่อยใจจนเกินไปอย่าไปถือว่าสิ่งอื่นสําคัญกว่าภาคปฏิบัติ เวลากลางค่ำกลางคืนกับกุฏิแล้วก็เออนั่งภาวนาเดินจงกมจุดเทียนเดินจงขรมนั่งภาวนาให้เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆในพรรษาพอออกพรรษาแล้วเออธุรการงานแต่ในพรรษานี่อยากจะให้เลขความภาคความเพียรเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันนั่นแหะตลอดถึงศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกท่านในพรรษานี่ก็อยากจะให้เข้มงวดกดขนันเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ใส่ใจสำหรับตัวเองเพราะชีวิตของเราก็มาถึงปู่นนี้แล้วเราจะมีมัวเมาลุ่มหลงกับโลกวัตตะสงสารจนเกินไปมันก็ไม่ถูกนะไม่รู้อีกวันไหนไม่รู้วันไหน เ, เราก็จะได้แยกย้ายกันกลับบ้านเก่าจะไม่ได้อยู่ด้วยการ น, นานเท่านานนะไม่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะเเพราะคนมาก่อนก็ไปก่อนพวกเราก็มามากก็หมากแล้ว จดนับไม่ถว้วนพวกเราก็เดินตามหลังท่านเหล่านั้นแหละพวกลูกหลานก็นเดินตามหลังเราอีกเป็นอย่างนี้โลกวัตฏะสงสารพระเจ้าจังว่าอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสิ่งไหนเป็นไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งแต่เป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะพระเจ้าให้ปฏิเสธหมดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะเป็นตัวตนของเราได้ยังไงร่างกายของเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ เวลาตายไปแล้วนี่เห็น แ, แต่ไม่เอาใครไม่ไม่เอาไปด้วยได้ฮตายแนละ้วถึงกระดูกก็ยังเอาไปนุ่มไปรอยองคองอังคารอีกต่างหากกระดูกตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สมบัติอย่างอื่นหรอกเนีเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียรนะด้านธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วนะั่นอ่ะใจของเรานะจะปฏิสนที่ไปเกิดภพภูมิอีกต่อไปตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นแต่ตายแล้วเกิดอีกนะในวันนี้ได้พูด พวกเราได้ศึกษาจะยืดยาวนะต่อไปนั่งสมาธิเลยนะทีนี้นะทําจิตให้สงบบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็พุโทโธพร้อมกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพอมันมีช่องว่างให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถี่ยิบทดลองดูนะเอาให้ได้นะให้ในจิตสงบนะในในพรรษานี้นะส อ, อนที่นั่งสมาธิปนมมือขึ้นระหว่างอกไหวครูสะก่อนพุโทโธธรมโมสังโฆ อา่าั้นก็บเอามือลงข้าพเจ้าจะทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธนะทำใจให้สบายสบายนะ